เราศึกษาธรรมะนะศึกษาเพื่อตัวเราเองถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองศรัทธาในศาสนาพุทธไม่ใช่ศรัทธาแบบว่าเชื่อเชื่อไปเหรอศรัทธาในศาสนาพุทธที่แท้จริงนะเป็นศรัทธาที่แน่นแฟนไม่คลอนแคลนที่แน่นแฟนไม่คลอนแคลนได้เพราะว่าเห็นผลจริงๆ ว่าเราภาวนาแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงๆนะไม่ต้องชวนให้เชื่อเลยมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจไม่ใช่ต้องเชื่อเชื่อเอาตามๆกันมานี่พวกเราภาวนายัางไม่ได้ธรรมะเนี่ยศรัทธาเรายังแกล้งได้เรียกว่าจละศรัทธาจอจานหล่อลิงจระคล้ายจะละจนุนศรัทธาของเรากลับกรอกได้ ตอนไหนได้ผลประโยชน์เราก็ศรัทธานะตอนไหนเสียผลประโยชน์เราก็ไม่ศรัทธางั้นเราโดยธรรมชาติของปุถุชนทําไรมันก็ลึกๆ ล, ล, ลงไปก็เรื่องผลประโยชน์ผ ล, ชนผลประโยชน์เป็นหลักนี่บางคนสงสัยว่าทิศทางาศาสนาจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็จะมาถามหลวงพ่อเรื่องนี้ย คือถ้าศาสนาให้ประโยชน์กคนได้นะคนก็ยังเอาศาสนานะถ้าให้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็ทิ้งก็แค่นั้นเองโดยตัวเนื้อแท้ของพุทธธรรมนั้นมีประโยชน์แน่นอนแต่ว่าจะสามารถสื่อเข้าไปสู่ใจคนได้ไ้ยให้เขาเห็นประโยชน์ได้จริงไหมศาสนาตอนนี้ก็เลยเหลือแต่เรื่องประเพณีเป็นศาสนาทางประเพณีส่วนใหญ่ ที่แกลนงป้ายว่าชาวพุทธชาวพุทธนั้นไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเพราะไม่ได้ศึกษาบางคนก็วาดภาพศาสนาเป็นสิ่งก่อสร้างเรียกศาสนาวัตถุนั่นคือตัวศาสนาอย่างบางคนมาที่นี่นะไปมีคนหนึ่งไปที่เมืองการไปดูสาราที่เมืองการปุ๊บบอกผมไม่นับถือหรอกวัดอย่างเงี้ยถามว่าทไมอ่ะไม่มีชอบฟ้าอ๋อ นับถือชอบฟ้ามึไม่นับถือศาสนานาะนับถือชอบฟ้าหรือบางคนก็มองศาสนาคือตัวพิธีกรรมตัวพิธีกรรมต้องมีพิธีอย่างโน้นต้องมีพิธีอย่างนี้ตอนหลวงพ่อไปอยู่เมืองการนะมีโยมคนหนึ่งมาผมจะมาสมัครเป็นมัรคนายกบอกทำอะไรมัรคนายกมีหน้าที่อะไร เวลาตอนเช้าพอยมมานะผมจะอาราธนาศีลบอกให้ศีลทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยครับต้องทำมันรักษาเปล่าชักอึ้งนะนขอศีลทุกวันแต่ไม่รักษามันก็โกหกมากกว่าเก่าอีกนะแล้วจะมาอาราธนาธรรมะต้องมาขึ้นก่อนท่านจะเทศต้องมีพรมมาจโลกาก่อนถ้าพระพรมไม่มาแล้วก็เทศไม่ได้ บอกไม่เป็นไรพรหมไม่มาแต่โยมมาเราจะเทศแล้วเนี่ถ้าไม่พรหมมาก่อนไม่นับถืออะไรเงี้ยคือคนส่วใหญ่น่าสงสารนะได้อย่างนั้นเองหรือศาสนบุคคลก็บวชบวชตามตามกันไปนะบวชแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะคืออย่างน้อยบวชแล้วต้องศึกษาอย่างน้อยปริยัตตต้องเรียนถ้าไม่เรียนปริยัตตก็ต้องเรียนปฏิบัติ พระตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านก็เป็นอย่างนั้นบางองค์บวชแล้วท่านก็ไปอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ที่จําพระสูตรจําพระอภิธรรมจําพระวินัยอะไรได้เยอะแยะท่านเรียนบางองค์ท่านบอกท่านบวชเมื่อแก่ท่านเรียนไม่ทันละท่านจะขอภาวนาลงความแล้วมีเรียนทั้งคู่เรียนภาคปริยัตหรือภาคปฏิบัติถ้าบวชเฉยๆมันก็คือชาวบ้านธรมนมนรมดาเปลียนเครื่องแบบจะได้อะไร กิเลสก็เหมือนเดิมความรู้ความเข้าใจก็เหมือนเดิมมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมางั้นถ้าบวชเราก็ต้องเรียนโบราณเรียกว่าบวบวชเรียนนะไม่ใช่บวชลยอยอย่างน้อยเรียนปริยัตถ้าไม่เรียนปริยัติก็ต้องเรียนปฏิบัติเรียนปฏิบัติคําว่าเรียนหมายถึงต้องรู้หลักนะต้องเรียนหลักของการปฏิบัติไม่ใช่เรียนปฏิบัติก็คืออยู่ๆก็ไปหลับหูหลับตาภาวนาเอาเอง ถ้าธรรมะนะหลับหูหลับตาภาวนาเอาเองแล้วก็บรรู้มรรคผลได้ก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามันทําไม่ได้ด้วยตัวเองเหรอกมันไม่ใช่ปุ่มความรู้ที่เราจะรู้ตรัสรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองเพราะงั้นยังไงก็ต้องเรียนต้องเรียนหลักของการปฏิบัติให้ได้อย่างที่นี่หลวงพ่อจะเน้นสอนเรื่องการปฏิบัติให้หลักของการปฏิบัติเราก็ต้องรู้นะว่า เราจะปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นยังไงนี่ต้องตอบได้ชัดเจนเราจะปฏิบัติอะไรมีสองอย่างที่จะต้องปฏิบัติคือสมถะกับวิปัสสนาปฏิบัติเพื่ออะไรสมรถะปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงที่จะเดินวิปัสสนาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นโน้นเห็นนี่มีตาทิพย์มีหูทิพย์บางคนอยากได้เจโต อยากได้ที่พระจักษสุหลวงพ่อเคยเจอนะมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันภาวนามันอยากได้ที่ระจักษุถามว่าอยากได้ทำไมไม่เราจะได้มองทะลุผ้าของคนอื่น <c oughs> มันเห็นธรรมะเป็นเรื่องอะไรจะทะลุฝาห้องของเขาอะไรเงี้ยอยากได้ไม่ได้เรื่องเลยมีจริงๆด้วย <c oughs> สมถะนะเราทำไปเพื่อให้ใจมันมีเรี่ยวมีแรงที่จะทำวิปัสสนา มิปัสสนาทําไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจนี้ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์งั้นเราทํามิปัสสนานี่เพื่อให้รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้เราได้อะไรรู้รู้ถึงที่สุดนะั้นจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพระอระหันต์ไม่ใช่คนประหลาดนะพระอระหันต์อย่าไปวาดภาพพระอระหันต์ประหลาดเกินเหตุ นะพระอรห iving, ันต์จะทำอะไรก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้วันๆ i, ต้องนั่งเชื่องเชื่องเหมือนนกกระยางรอให้ปลามาใกล้ๆจะได้ฉกเอาเชื่องเชืงห้ามกระดุกกระดิกพระอราหันต์จริงๆก็คือท่านผู้ภาวนาจนมีปัญญานะเห็นทุกข์เห็นโทษของขันน่ะขันห้าเป็นทุกข์ <c oughs> เห็นอย่างนี้แล้วท่านปล่อยวางความยึดถือขันได้จิตท่านแยกออกจากขันพรากออกจากขันไม่ยึดถือขัน นันเป็นอิสระจากขันตัวขันเป็นตัวทุกข์นั้นพระอราหันต์เลยพ้นทุกข์นะพระอราหันต์ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพ้นทุกข์พระอราหันต์ที่ตายแล้วเรียกดับทุกข์คือขันมันดับไม่ใช่ไปเกิดอีกนะหลายคนวาดภาพเป็นพระอราหันต์ไปเกิดอีกไปอยู่ในโลกนิพพานนั่นไม่ใช่ศาสนาพูดหรอกนะพระอราหันต์นิพพานแล้วเหมือนไฟที่ดับไปแล้วไฟที่ดับแล้วอยู่ที่ไหนอนะ่ะใครจะรู้นะ งั้นเราภาวนานะภาวนาทําสมถะเนี่ยเพื่อให้มีแรงทําวิปัสนาทํำวิปัสนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้มันจะหมดความยึดถือปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ก็พ้นทุกได้เพราะตัวกายตัวใจตัวขันนี่แหละตัวทุกเนี่ต้องเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วทํำยังไงเราจะทําอะไรทําสมถะแลือวิปัสนาทําเพื่ออะไรบอกแล้วทําอย่างไร สมาธิเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อให้เคลิม้มนะวิธีทําสมาธิไม่ใช่น้อมใจให้เคลิม้มให้ซึมให้นิ่งแต่ฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเคยได้ยินคําว่าอนาปาณสติไหมนะมีสตินะไม่ใช่ฝึกให้ไม่มีสติไม่ใช่ฝึก<อ>นี่บรรลุแล้วนะนะไม่ใช่เรื่องฝึกให้มีสติหายใจเข้าฝึกให้มีสติหายใจออกนะมีสติไปเรื่อยเลย หรือบางทีพิจารณากายกายคตาสติมีสติไล่ไปในกายดูอาการ32ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายมีสติไหมไม่ได้บอกให้ขาดสติเลยนะไม่ได้ดูเอาแก้วแหวนเงินทองเอาวิมานสวรรค์อะไรทั้งสิน้นเลยแต่ฝึกให้มันมีสติรู้ลมหายใจก็ให้มันมีสตินะพิจารณากายก็พิจารณาด้วยความมีสติเรียกว่ากายคตาสตินะ ทำอะไรๆก็มีสติคิดถึงพระพุทธเจ้าก็คิดด้วยความมีสติอย่างหัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทยึดขาดสตินะพุทโธไปเรารู้สึกตัวไปพุทโธไปเรารู้สึกตัวไปนะนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราทํำยังไงจะเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่ได้ภาวนาให้เคลิมเคลิมภาวนาให้รู้สึกตัวนั่นราอย่าทิ้งสติ ครูบาอาจารย์เคยสอนสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดงนั้นทําสมาธิก็ต้องมีสตินะแต่มีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอารมณ์อันเดียวทํำไมต้องอารมณ์อันเดียวอารมณ์หลายอันแล้วก็รู้ตัวยากปกติจิตมันจะหนีตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาพอเรามาทําสมาธินะเรามีอารมณ์อันเดียวมาเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อล่อจิต อย่างถ้าจะตกปลานะอะมีคนโยนเบ็ดพร้อมกันร้อยอันปลางงเลยจะกินอันไหนดีเห็นไหมว่ายมาทางนี้ไม่เอาตัวเล็กไปว่ายทางนี้ไม่ใหญ่ไปเกินพอดีเกินคำไม่เอาวกไปวกมาไม่ได้กินต้องมีเหยื่ออันเดียวเหยื่ออันเดียวหนะ้าปลาฝูงหนึ่งยิ่งดี <c oughs> มีเหยื่ออันเดียวล่อนะจิตขอาเราปกติร่อนเร่ไปเรือเร่อยวิ่งไปทางตา ว ma. ิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นร um ่อไปเรื่อยเที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยเหมือนปลาวิ่งหาเหยื่อไปเรื่อยว่ายไปเรื่อยๆเราหาอารมณ์มันหนึ่งที่ชอบใจของปลาตัวนี้มาล่อมันเจ้าพุทโธก็ได้คนไหนพุทโธแล้วสบายใจเอาพุทโธคนไหนหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายใจเอาลมหายใจคนไหนดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องฟองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปไม่ใช่เดินทรมาน เดินไปเครียดไปเดินไปเครียดไปสมถะก็ไม่มีวิปั ส, สนาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นหาอารมณ์ที่สบายๆอยู่แล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะฝึกอานาปานาสติมาตั้งแต่เด็กตนะั้งแต่เจ็ดขวบพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่เกิดนะหายใจแล้วมีความสุขนะพรอจิตใจมีความสุขจิตจะสงบจิตมันหิวอารมณ์นะพอมันได้กินของชอบนะมันเลยไม่ไปเที่ยวที่อื่นนะแล้วอารมณ์มารอ อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตก็ไม่หนีไปไหนจิตเคล้าเคลียอยู่แต่ระวังอันเดียวอย่าให้ขาดสตนะิอย่างเราหายใจไปถ้าใจเคลิ้มก็รู้ทันว่าเคลิม้มหายใจไปใจฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจฟุ้งซ่านไปนะใจก็มีความสุขเคล้าเคลียสงบอยู่กับลมหายใจนะจนกระทั่งลมหายใจมันสว่างขึ้นมาหายใจไปเรื่อยๆเวลาจะเข้าฌานไม่ได้รู้ลมหายใจหรอกจะบอกให้ บอกเรามั่วๆนะบอกหายใจแล้วก็เข้าฌานรู้ลมหายใจแล้วเข้าฌานไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกลมหายใจเบื้องต้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะรู้ลมไปเรื่อยสบายจิตใจมีความสุขนะมันจะสว่างขึ้นมาความสว่างมันเกิดขึ้นนะใจมันสงบลงมาในทางร่างกายเวลาจิตสงบลงมาเนี้เลือดจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านี้เลือดจะมาเลี้ยงทางนี้เยอะ มันจะให้ความรู้สึกที่สว่างขึ้นมานะจิตมันก็สว่างนะกายมันก็สว่างขึ้นมาผ่องใสความสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอาความสว่างเนี่ยมาเป็นนิมิตแทนลมหายใจแล้วนะต่ไปความสว่างมันเข้มข้นขึ้นนะเป็นดวงขึ้นมาให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้นะจิตใจก็มีความสุขสนุกมีความสุขอิ่มเบิบเบิกบานมีปีติขึ้นมานะเข้าฌาน ไม่ใช่หายใจรู้ลมแล้วลม <c oughs> บอกว่าหายใจจนลมระ ง, งับถามว่าลมระ ง, งับยังไงลืมไปเลยหลับไปแล้วบอกว่าไม่มีลมหายใจแล้วไม่ใช่นะเงั้นหลักของการทําสมถนะนั้นก็อย่าทิ้งสติมีสติไปเรื่อยเวลาจิตรวมก็รวมด้วยความมีสติไม่รวมแบบขาดสติวุบวับๆหรอกรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายของการปฏิบัติเลยรวมลงไปลึกเลยจนร่างกายหายหายไปเลยนะ ลมหายใจก็หายร่างกายก็หายโลกทั้งโลกก็หายไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวะก็ยังไม่ขาดสติกนะจิตดวงเดียวอยู่งั้นเด่นอยู่งั้นไม่ลืมเนื้อลืมตัวทําไมต้องมีจิตขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเพื่อเราจะได้เอาไว้ต่อพิปัสนางั้นบางคนทําให้ถึงฌานก็ไม่เป็นไรนะแค่หัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่อยๆดูไปพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมใจมีค่อยตั้งมั่นขึ้นมา อย่างนี้ใช้ได้หายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอะไรก็ว่าไปเถอะหายใจไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูนะอย่างนี้นะถึงจะทำสมถะเพื่อจะต่อวิปัสสนาคือหายใจไปแล้วมีจิตเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาดูท้องพองยุบไปนะ <c oughs> เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูนะมีจิตเป็นคนดู เพราะงั้นบทเรียนเรื่องการทำสมาธิเนี่ยในทางศาสนาพุทธท่านถึงใช้คาว่าจิตตะศิขาจิตตะศิขาทำสมาธิจงกระทั่งเราเห็นจิตของเราจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละพร้อมที่จะไปเดินวิปัสสนาต่อละนะเพราะงั้นถ้าคนไหนจะทำสมถะนะั้นก็อย่าให้ขาดสติหายใจไปเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดู หายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนดูนะเนี่ยเฝ้ารู้ไปจนกระทั้งจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเราทําสมถะเป็นะเวลาบางช่วงบางครั้งบางคราวจิตก็เข้าพักสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแต่สงบไม่แสสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบไม่คิดไม่นึกอะไรนะใจว่างสบายสว่างอันนี้ทําสมถะเต็มที่ต่อไปก็หัดนะ นั่งสมาธิไปแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยเนปะจิตตั้งขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างนี้ดีชาววิตอบริปพศนานี้พอเราหัดภาวนาไปนะพุทโธพุทโธเราเห็นเลยพุทโธเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้พุทโธหายใจออกหายใจเข้านะหายใจไปจนกระทั่งเห็นในร่างกายมันหายใจจิตเป็นผู้รู้ว่าร่างกายหายใจไหมมีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมา จะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นร่างกายมันเดินไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูต่อไปเนี่ยพอผู้รู้ผู้ดูมันหายแวบแตคือมันขาดสติเมื่อไหร่มันหายเมื่อนั้นสติมันระลึกได้เองเพราะมันเคยรู้จักผู้รู้ผู้ดูเนืองเนืองเมื่เราจะฝึกจนกระทั่งสามารถรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจําวันได้เนืองเนืองเมื่อไหร่เป็นผู้หลงนะก็ขาดผู้รู้เมื่อไหร่เป็นผู้รู้ก็ไม่เป็นผู้หลง บางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็หลงเป็นผู้คิดบางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยตอนเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเห็นตัวผู้รู้เองเขาเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพอใจมันเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาได้มันจะเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุร่างกายเป็นก้อนธาตุขยับขยอนเคลื่อนไหวไปจะเห็นเวทนาทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรา ความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะความไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเพราะเราค่อยๆฝึกนะจ ใ, ใจของเรามันตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวไดว้แต่ไม่ได้ตั้งเอาไว้จนแข็งๆนะว่ารู้ ต, ตัวตลอดเวลาที่ใช้ไม่ได้ต้องรู้บ้างเผลอบ้างนะจะได้เห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดเกิดดับๆับสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะเมื่อ 20- 30ปีก่อนเนอะเนะข้าวัดไหนนะครูบาอาจารย์พูดแต่คําว่าผู้รู้ ท่านยังสอนด้วยซ้ำไปศาสนาพุทธพุทธะว่อะไรพุทธะปว่ารู้พุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกให้ใจมันเป็นผู้รู้ใจของเราชอบเป็นผู้คิดใจของเราชอบเป็นผู้หลงเราฝึกให้ใจเป็นผู้รู้ทําไงใจจะเป็นผู้รู้ถ้ารู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏนะใจจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเช่นเผลอไปรู้ว่าเผลอใจก็จะเป็นผู้รู้ขึ้นแวบหนึ่งเป็นผู้รู้ตรงขณะไหนขณะที่รู้ว่าเผลอ ถัดจากนั้นอาจจะเป็นผู้เพ่งนะใจโกรธขึ้นมานะรู้ว่าโกรธขณะที่โกรธนั้นขณะหนึ่งขณะที่รู้ว่าโกรธนี่แหละใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะถัดจากนั้นอยากให้หายโกรธนี่ใจมีอัปปุสลแล้วมีความอยากเกิดขึ้นแล้วนะให้เราดูใจเราไปเรื่อยนะไม่ใช่ผู้รู้ต้องเที่ยงถาวรผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกนะผู้รู้เองก็เกิดดับ ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสอนดีมากเลยคือหลวงปู่ล่าผููเจาก็บอกว่าผู้ใดเห็นว่าผู้รู้เที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าต้องมีอยู่อาศัยอาศัยไว้ใช้ปฏิบัติเอาของเราสังเกตสิเดี๋ยวใจก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะเมื่อไหร่รู้สภาวะตรงความเป็นจริงใจก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งเอาแค่แวบเดียวพอนะไม่ต้องตั้งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโง คนที่ตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ทั้งพวกที่เขาทรงฌานผ่านฌานมาเต็มที่แล้วเต็มภูมิยังน้อยได้ฌานที่สองได้ฌานที่2อนี่ใจจะเด่นออกจากฌานมาเนี่ยยังเด่นอยู่เป็นวันวันเลยเพราะฉะนั้นอาศัยสมาธิอย่างนี้ตามรู้ดูกายดูใจได้นานพวกเราไม่ได้ทรงฌานนี่สมาธิมันจะอยู่แวบเดียวแวบเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่อาศัยคณิกาสมาธินี่แหละทำมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นะ เพราะสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาจริงๆก็คือคณิกาสมาธินี่แหละดีที่สุดเลยนะลองลองมาก็คือตัวอุปจาระเราะฉะ้เราค่อยๆฝึกนะให้ใจมันตื่นขึ้นมาวิธีง่ายที่สุดเลยทําชาญไม่ได้ทํำยังไงใจจะตื่นใจตื่นก็ตรงข้ามกับใจที่ไม่ตื่นใจที่ไม่ตื่นคือใจหลับใจหลับได้ใจก็ฝันได้ความฝันของใจก็คือความคิด เมื่อไหร่รู้ว่าฝันนะเมื่อนั้นจะตื่นเมื่อไหร่รู้ว่าฝันอยู่เมื่อนั้นจะตื่นเฉะนั้นเวลาที่ใจไหลไปคิดเนี่ยถ้าเมื่อไหร่พวกเรารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นช่วขณะหนึ่งรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดในขณะนั้นขณะที่รู้นั่นแหละตื่นไม่เฉพาะหลงไปคิดนะโกรธขึ้นมาขณะที่รู้ว่าโกรธขณะนั้นก็ตื่นเหมือนกันแต่ตัวนี้ดูยากกว่าใจของเราหลงคิดทั้งวัน มันดูง่ายกว่ายัางจะดูจิตที่โกรธนะแล้วก็ตัวรู้ว่าโกรธเนี่ยวันนี้ยังไม่โกรธใครเลยเนี่ยจะภาวนาอย่างไงแต่มีไหมวันไหนชั่วโมงไหนที่ไม่คิดมีไหมไม่มีเลยนะจิตที่คิดคือจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีโมหะเรียกว่าอุทธัจจะนะโมหะชนิดอุดทธัจจะเพราะฉะนั้นจิตมันฟุ้งซ่านเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเลยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเาะนั้นเราเอาไอ้ตัวที่เกิดบ่อยนี่แหลมาหัดทํากรรมฐานเราจะได้ทํากรรมฐานบ่อยๆ งนะนั้นจิตไหลไปคิดวลาโอ้หลงไปแล้วมีคำว่าแล้วนะหลงไปแล้วออทำไมต้องมีแล้วด้วยหมายถึงว่าหลงไปก่อนไม่ได้ห้ามหลงหลงไปก่อนแล้ว ร, รู้ว่าหลงหลายคนทำภาวนาผิดนะไปจ้องรอดูไหนเมื่อไรจะหลงเมื่อไรจะหลงนจ้องใหญ่ไอ้ขนดที่รอดูนั้นหลงเรียบร้อยแล้วนะหลงเรียบร้อยแล้วไม่มีวันรู้เลยว่าหลงเป็นยังไงหลงไปเรียบร้อยแล้ว ให้มันลงไปก่อนให้มันเผลอไปคิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่าเผลอไปหลงไปให้มันโกรธไปก่อนให้มันโลภไปก่อนนะแล้วก็รู้ว่ามันโกรธรู้ว่ามันโลภนี่หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆรู้ไปแล้วจะได้อะไรเห็นไหมคำสอนในศาสนาพุทธละเอียดนะจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําอย่างไรบอกแล้วนะอย่างถ้าจะดูจิตดูใจเนี่ยตามดูไปให้สภาวะเกิดแล้วก็ตามรู้ไป หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงหลงไปก่อนแล้วร again, ู้ว่าหลงโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธตามดูไปเรื่อยๆจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําแล้วได้ผลอะไรถ้าเราตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เนี่เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้นานๆจะมีอย่างอื่นแทรกเดี๋ยวโลภขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วก็หลงหลงหลงไปอีกนะแล้วก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อ้าเดี๋ยวโกรธขึ้นมาอีก นานๆจะมีโลภแทรกนานๆจะมีโกรธแทรกทีแต่หลงเนี่ยมันยืนพื้นเลยเป็นกิเลสยืนพื้นเลยแพราะเราใครรู้ทันเรื่อยไม่ใช่รู้เพื่อจะไม่ให้หลงนะไม่ใช่รู้เพื่อไม่ให้หลงแต่รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้จิตเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้จิตหลงตอนนี้จิตรู้เมื่อกี้จิตโลภตอนนี้จิตรู้ Ө เมื่อกี้จิตหลงตอนนี้จิตรู้ ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงนะแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งนี่คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรมนั่นเองเห็นไหมเมื่อกี้จิตหลงตอนนี้จิตหลงดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้เป็นจิตโกรธตอนนี้เกิดเป็นจิตที่รู้จิตโกรธดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้นะ จิตที่รู้อยู่ไม่นานก็เกิดจิตหลงขึ้นมาแทนอีกล้วเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็โลภนะแล้วก็รู้เดี๋ยวก็กโกรธแล้วก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีแต่ฝึกจนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้นี่เป็นของชั่วคราวทั้งสิน้นจิตโลภก็โลภชั่วคราวจิตโกรธก็โกรธชั่วคราวจิตหลงก็หลงชั่วคราวทําไมหลงชั่วคราวเพราะมันมีตัวรู้มาขั้น มีจิตรู้มาขั้นมันก็เลยเห็นว่าหลงชั่วคราวถ้าเราไม่มีจิตรู้เลยมันก็จะมีแต่จิตหลงจิตหลงจิตหลงจิตหลงจิตหลงหลงทั้งวันหลงทั้งคืนเราจะรู้สึกว่าหลงเราเที่ยงนะจะไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นไตรลักษณ์แต่ต้องมีรู้ขึ้นมานะเพื่อจะเห็นหลงมันขาดเป็นท่อนๆหลงไปหนึ่งนาทีแล้วรู้สึกตัวแวบบเราเห็นเลยชีวิตที่หลงนะั้นมันจบไปแล้วเกิดชีวิตใหม่ที่รู้สึกตัวนะเสร็จแล้วหลงไปอีก5นาทีแล้รู้สึกอีกทีหนึ่ง หลงไปอีกชั่วโมงรู้สึกทีนี่เริ่มลอยถ้วยหลงทุกทีแล้วนะแต่ไปฝึกไปเรื่อยๆนะหลงสามวินาทีรู้สึกหลงสองวินาทีรู้สึกยิ่งฝึกเก่งนะยิ่งหลงบ่อยหลงแว บ, บรู้สึกแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกเลยนะฝึกไปเรื่อยไม่ใช่ฝึกไม่ให้หลงไม่ได้ฝึกห้ามหลงไม่ได้ฝึกที่จะให้รู้ตลอดเวลาแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนจะดับทั้งสิ้น ปัญญาแก่รอบต่อไปอีกก็จะเห็นอีกว่าจิตจะรู้หรือจิตจะหลงนะห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่เราหรอกจิตจะหลงมันก็หลงของมันเองจิตจะโลภก็โลภของมันเองจิตจะโกรธก็โกรธของมันเองนะจิตจะเป็นยังไงก็เป็นของมันเองอย่างนั้นนะจิตจะรู้ขึ้นมาก็รู้ได้เองจงใจรู้ก็ไม่ใช่อีกล่ะแต่เราต้องฝึกจนกระทั่งมันได้รู้ขึ้นมานะเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยฝึกให้มันมีรู้ก่อน บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายสาบหกวันก่อนท่านมรณภาพหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ออกจากหลวงปู่ดูลัมอีกฟันหนึ่งไปหาหลวงพุทธหลวงพุทธก็บอกท่านไปหาหลวงปู่ดูลมาหลวงปู่ดูลสอนอย่างเดียววันนี้บอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้สอนอย่างนี้ าพาไอได้ยินอย่างนี้นะเลยพยายามทำลายผู้รู้ทั้งๆ ท, ที่ผู้รู้ยังไม่มีเลยมีแต่ผู้หลงนะแต่หาทางทำลายผู้รู้สติแตกสิตอนนี้อย่าเพิ่งทำลายผู้รู้นะไม่ใช่เวลาทำลายผู้รู้เอาไว้ได้พระอนาคา ก, ก่อนแล้วค่อยพูดเรเืร่องทำลายผู้รู้นะตอนนี้เรายังไม่ได้เราก็ยังไม่ทำลายเราต้องมีผู้รู้ไว้ก่อนสังเกตไหมเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดีๆๆๆ๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โลภอะไรเงี้ยใครรู้สึกไปเรื่อะ รูสึกไปเรื่อรู้มันจะมีทีละแวบทีละแวบทีละแวบมีรู้อย่างนี้บ่อยๆมีรู้ขึ้นมาเพื่อตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นช่วงๆชีวิตตะกี้หลงชีวิตตรงนี้รู้ชีวิตตะกี้หลงตร ง, ตต ง, ตงตนี้รู้เห็นไหมหลงต้องใหญ่หน่อยรู้ตรงนี้เดียวเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะไม่ใช่ชีวิตตะกี้หลงชีวิตเดี๋ยวนี้รู้ปัจจุบันไม่โตขนาด น, นี้คำว่าปัจจุบันอะเล็กนิดเดียวเห็นไหม ชีวิตที่รู้ลงมานั่นคือชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันได้ขณะแว บ, บเดียวต่อหน้าเท่านเองเล็กๆงั้นไม่มียวรู้ยาวแค่นี้รู้เที่ยงสิรู้อย่างนี้รู้เที่ยงก็มีฉาดทิฐิจริงๆรู้เกิดวับก็ดับวับก็ดับวับก็ดั บ, บ, ะดบนะถ้าเราฝึกนะจนกระทั่งเรารู้สึกขึ้นมาวิธีที่จะให้รู้ขึ้นมาก็คือคอยไปหัดรู้ทันเวลาใจหลงไปคิดนะอันนี้เป็นการบ้านที่ง่ายๆเลยเพราะจิตที่หลงคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุด จิตโลภจิตโกรธอะไรนี่มีน้อยนะจิตหลงเนี่ยมีทั้งวันเลยเพราะในขณะที่โลภในขณะที่โกรธเนี่ยต้องมีหลงประกอบอยู่ด้วยนะถ้าไม่หลงเนี่ยจะไม่มีโลภถ้าไม่หลงยังไม่โกรธเนื่องจิตหลงเนี่ยเป็นจิตตัวสาหัสสากันเลยนั้นถ้าเราเรียนเรื่องจิตหลงได้เราจะภาวนาได้ทั้งวันกรรมฐานนะเราควรจะเลือกกรรมฐานซึ่งมันเกิดบ่อยๆเราจะได้ดูบ่อยๆอย่างใจเราหลงเนี่ยหลงทั้งวันแล้วก็รู้ใจหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้มันจะเห็นสลับกันเร็ว เคยมีหน้าที่ตอนอยู่เมืองการมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อผมใช้สิ่งอื่นนอกจากในสติปัฏฐานได้ไหมที่จะมาเป็นอารมณ์กรรมฐ า, านทํามว่าจะใช้อะไรบอกถ้าฟ้าร้องแล้วผมจะรู้สึกตัวปีหนึ่งมันร้องกี่ครั้งว mm hmm. นะนานมากเลยบางวันมันต้องไม่ร้องตั้งหลายเดือนเห็นไหมโอ้แสดงว่าตลอดเนี้ยเองไม่มีสติเลยใช่ไหมเองจะมีสติตอนหน้าฝนอย่างเดียวนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ พวกเราไปดูสิอารมณ์ในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าในหายใจทั้งวันไหมหายใจออกหายใจเข้าถ้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็รู้สึกตัวทั้งวันใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ทั้งวันไหมมีทั้งวันใช่ไหมไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนอะไรเงี้ยเวียนไปอะไรเงี้ยถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวได้เกือบทั้งวันแลยกเป็นอิเดียบทประหลาดประหลาดเช่นกระโดดอะไรเงี้ยนะกระโดดหรือ ไปวไ่ายน้ําอะไรเงี้ยเป็นอิทธิยาบทแปลกๆไปท่านก็สอนล็อกไว้อีกอันหนึ่งเรื่องสัมมชัญญะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกก็เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวถ้าหยุดนิ่งก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกก็รู้สึ ก, ก, สกตัวได้ทั้งวันละ <S <S อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไวนะ้น่ะเกิดทั้งวันอารมณ์เวทนาเรามีทั้งวันไหมสุขทุกข์เฉยๆก็หมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมถ้าสุขก็รู้ตัวทุกข์ก็รู้ตัวเฉยๆก็รู้ตัวก็คือรู้ตัวได้ทั้งวน ดูจิตดูใจล่ะจิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้เกิดได้ทั้งวันหลงทั้งวันยกเว้นยกเว้นบางคนมันขี้โลภเจออะไรมันก็อยากตลอดเวลาเลยความอยากเกิดถี่ยิบเลยทั้งวันพวกนี้ก็เอาความอยากมาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวมันอยากแวบอยา ก, ด, ยา ก, นะยากดูรู้ทันอยากฟังรู้ทันอยากคิดรู้ทันนี่พวกโลภมากนะดูอยากเป็นวิหารธรรมมีจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากคู่เดียวก็พอแล้วเกิดทั้งวันแล้ว คนไหนขี้โมโหนะอะไรนิดหนึ่งก็โมโหอะไรนึงก <no ็ขัดใจก็เอาจิตท enfin ี่มีโมโหนี่แหละมาเป็นวิหารธรรมจิตโกรธขึ้นมาก็รู้ขนาดที่รู้ว่าโกรธนั้นคือจิตที่รู้จิตนั้นไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธอีกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รู้แม้จะเกิดทั้งวันเพราะฉั้นอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันเราจะได้มีสติได้ทั้งวันหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยเผลอไปรู้สึกตัวนะรู้รู้ทันว่าเผลอนี่ก็รู้สึกตัว ก็เป็นจิตที่รู้ขึ้นมาเราก็รู้ว่ามีจิตที่รู้อีกทุกอย่างเนี่ยจะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราทําไปเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ใช่ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบเช่นเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นมาแล้วดับไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่ก็คือร่างกายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ หรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะก็แสดงความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความหลงไปกับความรู้สึกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ก็แสดงความเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆภาวนาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ภาวนาเอาเดียวสุขเอาสงบอะไรหรอกนั่นตื้นไปแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นใจรลักษณ์มันมีแต่ความไม่เที่ยงในกายในใจนี้มีแต่ความทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดอันหนึ่งอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกไม่นานก็ต้องเสื่อมไป มีแต่เรื่องบังคับไม่ได้นะสั่งไม่ได้ร่างกายก็ไม่ใช่เรานะเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสั่งมันไม่ได้นี่ภาวนาอย่างนี้สุดท้ายจะได้อะไรขึ้นมาจะเห็นเลยว่าทั้งกายทั้งใจทั้งขันห้านี้เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกอย่างร่างกายนะประคบประงมมันอย่างดีเลยให้มันมีความสุขไม่นานเลยมันก็ทุกข์อีกละอย่างอันนี้ดูไปเรื่อยๆนละ้มันเอื่อมระอามันไม่ยุดกายละจิตใจก็เหมือนกันนะอุตส่าห์ทําความสงบเข้ามาไม่นานกก็ฟ้งอีละ ทำดียังไงเดี๋ยวก็แย่ขึ้นใหม่อีกละมีแต่ของไม่เที่ยงนะเห็นแล้วอิจฉาละอาใจในสุดไม่ยึดไม่ยึดจิตใจด้วยนะสุดท้ายไม่ยึดทั้งกายไม่ยึดทั้งใจก็ไม่ยึดสิ่งใดในโลกนะจิตก็หลุดพ้นจากความยึดถือเรียกว่าวิมุตินะจิตหลุดพ้นหลุดแล้วจะได้อะไรได้ได้เห็นนิพพานแต่ไม่เป็นเจ้าของนิพพานนะนิพพานไม่เป็นของใครครับนิพพานเป็นธรรมดาของโลกอยู่งั้นเป็นธรรมะประจําโลกอยู่นั้นแต่ว่าผู้ใดไปเห็นนิพพานผู้นั้นมีความสุขนะ จิต ท, ที่ไปรู้นี่ผ่านนั้นมีบรมสุขที่สุดเลยมันพ้นความดิ้นรนพ้นความปรุงแตง่งพ้นความหิวโหยเนะฉะั้นพวกเราค่อยฝึกนะวันนี้เทศมาตั้งแต่เช้านี่เรื่องอะไรบ้างนะบอกว่าการปฏิบัติต้องรู้นะว่าเราจะทําอะไรทําอะไรก็มีสมถาวิปัสสนาทําเพื่ออะไรเนี่ยทำสมถะนะก็เพื่อให้มีกําลังไปทําวิปัสสนาหรือว่าบางครั้งก็ใช้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆพอมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นแล้วก็ไปทํำวิปัสสนา ทำอย่างไรนะสมถะเนี่ยให้จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายแล้วจิตจะสงบมิปัฏนานะให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปใจเป็นแค่คนรู้คนดูไปเรื่อยนะโลภขึ้นมาแล้วรู้โกรธมาแล้วรู้อะไรดูไปเรื่อยรู้แล้วได้อะไรนะทำแล้วได้อะไรถ้าทําสมถะก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาทํำมิปัสฐานะก็ได้ปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้เห็นความจริงแล้วก็หมดความยึดถือปล่อยวางนะเข้าถึงบรมณ์สุขที่แท้จริง นี่วันนี้เทศจะจบหลักสูตรเลยนะเอาเชิญไปทานข้าวนี่มลเลยครับ